เมื่อวานเมื่อวานได้วิชาใหม่วิชาหายใจแบบแบบอายุยืนอยากลองไหมมาลองทำแล้วรู้สึกว่าเข้าท่าใจมันชอบใจมันชอบได้ของดีแล้วก็อยากจะบอกต่อ หายใจแบบให้มีสุขภาพดีไม่ใช่หายใจเพื่อเพื่อรู้สภาวะาเฉยๆแล้วก็ไม่ใช่แค่มีสุขภาพดีแล้วจะไม่รู้สภาวะนะคนที่ฝึกแล้วเนี่ยก็สามารถรู้สภาวะไปตามได้ด้วยท่านบอกว่าหายใจให้มันเหมือนพัดผ่านกระดูกสันหลังแต่ถ้าให้ดีต้องนั่งตัวตรงนั่งนั่งขัดสมาธิได้ไั้ย สมาธิไม่ต้องนั่งพับเพียบถ้านั่งพับเพียบเนี่ยกระดูกมันจะเอียงนกระดูกจะเอียงนั่งสบายๆนะพอเริ่มทําไม่ใช่ว่ารวบเข้ามานั่งแบบปกติเนั่งปกตินั่งฟังไปเผลอเผล อ, อมัง่งรู้มัง่งเผลอมั่งอะไรเผลอมั่งรู้มัง่งเอารู้ไว้ข้างหลังดีกว่าเผลอมัง่งรู้มัง่งนั่งฟังไปเรื่อยๆหายใจเลยนะหายใจเข้าไปทําความรู้สึกเหมือนลมเนี่ยพัด ค่อยๆสัมผัสกระดูกสันหลังตั้งแต่ต้นคอไปถึงก้นกบหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้เพราะว่าไม่ไม่ต้องเพ่งไม่ต้องเพ่งทำความรู้สึกสบายๆอารมณ์เนี่ยผ่านเข้าไปทางต้นคอไปถึงก้นกบสอนลมเข้านะลมออกปล่อยออกช่างมันสอนลมเข้าเนี่ยให้มันคัดเท่าเข้าไปแล้วก็ผ่านสบายๆไปถึงก้นกบให้มันออกไปเลยเหมือนรูปหลังแมวหลังหมา เคยเลี้ยงหมาไหมเคยเลี้ยงแมวไหมเราเวลาเราลูกไปนะแมวจะเชื่องเชื่องเลยนะอยู่กับเราเลยอันนี่เราก็ใกล้ปลอบตัวเองลูบลูบหัวตัวเองลูบแต่ไม่ใช่ลูบหัวเฉยๆลูบไปถึงหางไม่มีหางนะลูบไปถึงก้นกบเหมือนพระรามพระรามพระรามเจอหันุมานเนี่ยนะฮนุมานเข้ามาสวามิภักดิ์พระรามเนี่ยพระรามเนี่ยจะลูบนั่นแหลหัวจนเปถึงปลายหาง ลูกและเชื่องฮนุมานเนี่ยสื่อสัตว์พักดีแบบประหลังตลอดตอนนี้เรากําลังเอาให้ให้กระดูกสันหลังเนี่ยมันเชื่องกับเราหน่อยทำความรู้สึกนะหายใจเข้าไปนี่เป็นวิธีฝึกลมปราณแบบหนึ่งหายใจเข้าไปให้เหมือนกับว่ารู้สึกว่าลมเนี่ยสัมผัสไปถึงต้นกบตั้งแต่กระดกต้นคอยนะสัมผัสไปทําความรู้สึกเหมือนว่าร่างกายนี้กลวง ลกลวงๆว่างๆงงกลวงลมเข้าไปเนี่ยทีแรกอาตมาไม่รู้สึกว่ากลวงรู้สึกว่าเป็นท่อร่างกายนี่เหมือนเป็นท่อท่านก็ให้รู้สึกว่าลมเนี่ยพอเข้าไปสัมผัส ด, ด้านหลังของท่อเหมือนร่างกายที่เป็นท่อนะให้ลมเข้าไปสัมผัส ด, ด้านหลังของท่อไปถึงก้นกบนึกออกไหมลองทำดูนะหายใจเข้าไป ให้ลมสัมผัสด้านหลังจนถึงก้นกบแล้วก็ปล่อยออกตามปกตินะไม่ต้องไปอั้นไว้หายใจแล้วก็ไปสัมผัสด้านหลังถึงก้นกบเหตุ <c oughs> ที่ทำอย่างนี้ <c oughs> เพื่อให้ระบบระบบระบบด้านหลังเนี่ยระบบด้านหลังเนี่ยเป็นระบบที่เป็นประสาทอัตโนมัติเป็นระบบอัตโนมัติ เราก็ไปปลอบมันให้มันคลายคายเพราะมันคลายมันจะทำงานได้ดีตอดโปรง่งร่างกายจะจะมีสุขภาพดีมีอายุยืนบอกว่า mm hmm. เข้าใจตัวเองนะที่บอกว่ามันร่างกายมีอายุยืนมีสุขภาพดี mm hmm. เพื่อล่อให้อยากทำ <laughs> แต่ก็ทำมันดีจริงๆด้วยทำไปถ้ารู้ว่ามันดีเนี่ยมันใจมันจะชอบเพอใจชอบแล้วมันก็จะทำให้การทำครั้งนั้นไม่ต้องบังคับพอจิตมันชอบเนี่ยมันทำมันเองทามันเองเหมือนดูลมหายใจและดูปกติที่เราดูคนที่เขาทำได้เพราะเขาทำแล้วมันมันชอบ มีความสุขในการทำคนที่ทำไม่ได้คือไม่ได้ผลแล้วก็หงุดหงิด ไ, ไ, ไม่สงบสักทีอย่างนี้ป่างเพราะว่าถ้าจะทำแล้วมันจะเป็นการบังคับแต่ถ้าทำอย่างเนี้ยเรารู้ว่าถ้าไปคอยรูปหลังตัวเองอยู่เรื่อยๆเรื่อลมหายใจแล้วเนี่ยนะสุขภาพจะดีเนื่องจากระบบอัตโนมัติของเราเนี่ยจะทำงานได้เป็นปกติเราเนี่ยมักจะเกร็ง มักจะไปทำร้ายตัวเองด้วยการบีบบังคับด้วยใจไปเกรงทําให้ร่างกายมันเกรงร่างกายส่นที่เกรงแล้วมีผลเสียต่อต่อร่างกายเองมากๆคือเกรงในส่วนที่เป็นระบบประสาทที่เป็นอัตโนมัติพอ ร, ระบบประสาทอัตโนมัติทํางานไม่ดีเหมือนเหมือนอะไรท่อที่มันมีตะกันติดติดขัดขัดเลือดนี่ก็ เวลามีตะกันมันก็ทำงานไม่ดีใช่ไหมแล้วเป็นอันตรายด้วยใช่ไหระบบประสาทเนี่ยมันไปไวกว่าเลือดอีกเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้สุขภาพดีง่ายๆฝึกลมปราณแบบรูปสันหลังตัวเองทำใจเหมือนร่างกายนี้กลว ง, ลวงหรือเป็นท่อพอฝึกฝึกไปเนี่ยอาตมาก็มานึกขำๆตัวเองอันนี้เรียกวามกรรมฐาน ยูทูบนะจะให้ดีคือหลังตรงไม่งอหลังตรงคุณแม่บอกว่าตอนท้ายให้ฝึกสักนิดหนึ่งใช่ไหมเอาตัว น, นี้เป็นตัวฝึกได้นะเป็นวิหารธรรมได้สังเกตใจสังเกตใจว่าถ้ามันไหลไปกับลมไปตามส้นหลังขณะนั้นกำลังไหลตาม รู้ตัวว่าไหลาตามลมไปขณะนั้นมีความรู้ขึ้นมาตัวนั้นเรียกว่าสติรู้แล้วเฮ้ยอย่าพึ่งไหลเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้ตอนนั้นจะกลายเป็นกลายเป็นตัวบังคับเกินไปมาสุดโต่งไปสองด้านไหลาตามลมกับเพ่งเอาไว้ที่ดีก็คือว่า เรามีความรู้ตัวอยู่ตั้งหากลมก็ไหลของมันไปลมก็ไหลของมันไปลองทำดูหายใจเข้าธรรมดาเอาเฉพาะตอนหายใจเข้าที่มันผ่านสอนหลังหายใจออกช่างมัน คนที่ถูกจริต จ, จะรู้สึกว่ามันไปประทะข้างหลังลมไปประทะข้างหลังแต่พวกหมอจะทำยากหน่อยเพรรู้สึกว่าข้างในมันมีอะไรแน่นไปหมดขวางมันมีอวัยวะขวางอยู่เพราะว่าไปเรียนไปเรียนกายภาพอะไรกายวิภาคผ่าศพมามากเห็นภาพว่าข้างในมันไม่กลวงแต่นี่ไม่ไม่ใช่วิชาไม่ใช่วิชาแพทย เป็นพิชาลมปรามเป็นพิชาที่ทำความรู้สึกเหมือนลมมั้นผ่านเข้าไปผ่านเข้าไปทางกระดูกสันหลังไปถึงก้นกบหายใจเข้าแต่ถ้าคนที่ไม่ไม่ถนัดให้ดูอนาปาลสติตามปกติ เห็นท้องกระเพื่อมอาจจเข้าท้องกระเพื่อมพองขึ้นอาจจะออกท้องกระเพื่มแป บ, บลงไปยุบลงไปอย่างนั้นก็ได้ลมที่มันไปผ่านส้ำหลังนี่เป็นของเล่นสำหรับคนที่ถ้าจับเหมาะหรือว่ามีความพอใจมีความสุขกับการทำอย่างนั้นเป็นข้อเสนอขึ้นมาเผื่อจะถูกจริีใคร ตีมาใหม่เลยอย่างนั่งทํานะขัดนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิได้ไหมขาขวาทับขาซ้ายหลังตรงตรงหลังตรงตรงนั่งทําด้วยกันเลยถ้าลูกๆทำด้วยเด็กๆทำด้วยนั่งหลังม ต, ตรงนะใบหน้าตรงๆงหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ นั่งนิ่งๆ น, นั่งนิ่งๆสังเกตดูว่าตอนนิ่งๆมีอะไรเคลื่อนไหวในร่างกายบ้างถ้ายังไม่สังเกตไม่เห็นลองทำความรู้สึกเฉพาะที่ที่หน้าก็ได้จะเห็นว่ามีลมหายใจเข้าออก ตอนนั่งนิ่งๆมันนิ่งไม่จริงมีลมหายใจเคลื่อนไหวอยู่สังเกตลมหายใจมันเข้าไปยังไงมันออกไปยังไงสังเกตหมายถึงว่าไม่ต้องบังคับมันให้มันหายใจไปตามปกติตามธรรมชาติ มีใจเื่อผู้สังเกตอยู่ต่างหากปล่อยให้ร่างกายทำงานเขาเองผู้สังเกตทำหน้าที่สังเกตอย่างเดียวไม่ต้องบังคับ หายใจเข้าร่างกายเป็นยังไงหายใจออกร่างกายเป็นยังไงบางคนเห็นร่างกายพองตอนหายใจเข้าหายใจออกร่างกายยุบตรวงไปมีความเคลื่อนไหวของร่างกายสังเกตโดยแม่มบังคับ ใจจะเผอไปบ้างบางทีใจมันคิดแวบไปแวบมาให้รู้ทันเผอแล้วรู้เผอแล้วรู้ร <S <S ยามนั่งหลังตรงนะ หลังงอไปแล้วเนี่ยมันจะเผลง่ายยืดหลังมาตรงๆระบบประสาทที่ไขสันหลังจะทำให้ตื่นตัวแตานั่งหลังงอเนี่ยกระดูกจะโคง้งรับลำหนักมากจะลาง่ายพอล้าแล้วสติก็เกิดยากบานทีก็ต้องใช้ร่างกายช่วย ท่าทางของร่างกายถ้าทำให้มันแบกน้ำหนักมากเกินไปจะทำให้ลาร่างกายที่แบกน้ำหนักมากคือร่างที่ไม่ตรงโค้งงอ นั่งสังเกตเข้าสังเกตอะไรเด่นที่เป็นสังเกตของใจบางทีก็รู้กายบางทีก็รู้ใจผู้สังเกตตองจะให้อิสระแก่ผู้แสดงไม่เข้าไปแทรกแซงปล่อยกายก็าหายใจไป เราต้องสังเกตไม่บังคับแม้กระทั่งใจใจจะเผลอจะหลงไปก็ได้แต่ให้รู้ทันให้อิสระแก่กายก็หายใจไม่บังคับให้รู้ทัน ให้อิสระแก่ใจไม่มังคับเผลอได้แต่ให้รู้ทันตัวที่ฟ้าสังเกตถ้าเห็นทันสภาวะเรียกว่าเห็นด้วยสติเกิดสติเห็นสภาวะเห็นความจริงที่เป็นประมัต การเห็นความจริงด้วยสติเป็นการเก็บหลักฐานให้กับจิตเอาความจริงให้จิตดูจิตจะสะสมความรู้ไปเรื่อยๆจนมากพอพอเมื่อไหร่จิตมันจะสรุปของมันเอง เช่นจะสรุปร่างกายก็ได้ในเรื่องต้นวันทีจะเห็นว่าร่างกายนี้บังคับไม่ได้วันทีก็เห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บางทีก็จะเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งจะเห็นได้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดลมเข้าเป็นอย่างเลยลมออกเป็นอย่างหนึ่ง จะเห็นง่ายๆขึ้นร่างกายนี้เป็นทุกข์ทนหายใจเข้าอยู่ตลอดไม่ได้ต้องหายใจออกทนหายใจออกต่อไปอีกไม่ได้ต้องหายใจเข้าต้องเคลื่อนไหวตลอดต้องเปลี่ยนอยู่เสมอทนนิ่งไม่ได้เวลาปัญญาสรุปไม่ต้องบรรยายมาก มันเป็นความรู้สรุปขึ้นมาเองอันนี้เป็นเพียงบรรยายนำร่องเฉยๆส่วนใจนี่ก็เหมือนกันบังคับไม่ได้คิดโน่นคิดนี่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเดี๋ยวเผลอไปเดี๋ยวก็มีความรู้ขึ้นมาเดี๋ยวก็เผลอไปเดี๋ยวก็มีสติขึ้นมา จิตนี้เห็นไม่เที่ยงง่ายยิ่งกว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงเร็วๆวไวพระพุทธเจ้าถึงก็บอกว่าคนที่เห็นกายว่าเป็นเรายัางพอให้อภัยเพราะกายนี้ตั้งอยู่นานแต่คนที่ยึดว่าใจนี้เป็นเราอันนั้น ไม่น่าให้อภัยเพราะใจนี้เปลีป่ยนแปลงอยู่เสมอตั้งอยู่ไม่ได้เห็นไปบ่อยๆสะสมความรู้ไปเรื่อยๆให้สรุปให้จิตสรุปเขาเองว่าทั้งกายและใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา n ง h หมดไหย n g หมดเลยพอสมควรเก็บเวลาสาหรับวันนี้เราได้มาฟังทมปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสาบจีนและวันพระใหญ่เป็นวันพระกลางเดือนกลางเดือนเก้ากลางเดือนเก้าในภาษา บุญกุศลที่เราทําในวันนี้บุญกุศลต่างๆเราทํากันเป็นหมู่มากอย่างนี้เวลาจะอุทิศให้ใครมันจะมีกําลังกํำลังมากทําร่วมกันอุทิศร่วมกันนะวันนี้เป็นวันศาสตร์จีนไม่จำเป็นต้องเป็นคนจีนอย่างเดียวก็ได้คนไทยก็อุทิศให้กับหมู่ญาติของเราไดนะ้นึกถึงผู้มีประพุ่ของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะให้ท่านได้มาอนุโมทนา กับบุญกุศลที่เราได้ทำร่วมกันในวันนี้รวมทั้งอาตมาผู้บรรยายรวมรวมไปถึงผู้ฟังทั้งหลายในที่นี้ทำบุญร่วมกันแล้วอุทิศใั้กับท่านในขณะ น, นี้ให้ท่านได้มาอนุโมทนาดีใจในการทำบุญที่เราทำอยู่นี้ให้ดีใจเหมือนกับที่ท่านได้ทำเองทำบุญนี้ด้วยตัวเองเพราะเรานี้ก็ไม่ใช่ใครเป็นลูกหลานของท่านนั่นเองทาแล้วก็เหมือนท่านทาเอง ให้ท่านดีใจอนโมตนาแล้วก็แบ่งบุญกุศลนี้ให้กับสัตว์ระสาททั้งหลายสัตว์ที่มีทุกข์อยู่อยู่ในภูมิที่เป็นทุกข์ถ้าท่านได้ทราบข่าวนี้แล้วให้อโมตนาอนโมทนาในบุญกุศลที่เราทําไว้ด้วยเทวดาอารักษ์ทั้งหลายถ้าท่านอยู่ในสถานที่นี้ปกปักรักษาสถานที่นี้อยู่เราเลื่ถึงบุญคุณของท่านุทิบุญกุศลนี้กระท่านด้วย ปกปรกรักษาเราก็ดีปกปัก็กสัจฐานที่นี้ก็ดีแห่ท่านทั้งหลายได้มีบุญกุศลเพิ่มพูนมากขึ้นทูตให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับสมเด็จพระนางด้าพระบรมราชินีนาถผู้เป็นหลักของแผ่นดินแผ่นดินนี้มีสุขอยู่ได้ก็ด้วยพระบารมีของพระองค์ปกปักรักษาอยู่ประเทศไทยมีศาสนาพุทธ ก็ด้วยพระมาหากษัตริย์เป็นองค์ศัพท์ศาสนาประถมภกท่านทนํรลุบํารุงศาสนาทําให้ศาสนาตกทอมาถึงเราทุกวันนี้พระองค์เองเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งในแง่นี้แม้ตัวพระองค์เองก็ทําคุณธรรมประพฤติปฏิบัติในส่วนตัวของพระองค์ท่านท่านเองก็มีบา ร, รมีมากมายขอบูชาในส่วนนั้นด้วยตั้งใจอย่างนี้แล้ว กลับมาถึงตัวเราเองเรานี้ชาตินี้เกิดมาพบพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วเราจะไม่ประมาทในคําสอนของพระพุทธเจ้าจะตั้งใจศึกษาจะตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลารตนเองให้เจริญในพุทธศาสนายิ่งย่งขึ้นไปนึกถึงตนเองอธิษฐานตนเองให้ยึดมั่นคุณนางความดีจเจริญในพุทธศัสนาอย่างนี้ยกมือขึ้นจบที่ศีรษะ ไขไขพอทําได้บ้างไอพี่อารมณ์ไปรูปไขรตะหลังทําได้ไหมทำได้ทํา ไ, ทได้ไหมได้ไห ม, ไมลองมาถ้าทําได้และใจมันชอบนะไปทําบ่อยๆทําเป็นเพื่อนกัน <c oughs> ทําเป็นเพื่อนกันจะได้เป็นผลได้ผลงไงลองมาเล่ามายห้ฟังบ้างที่เราดูเออสติตะสถานสี่เนี่ยนะคะเท่ากับการเราศึกษาปรามัตารย์สัจจะใช่ไหมคะอย่างเดียวใช่ไหมครับ เอ่อสติปฐานสี่เนี่ยถ้าจะได้สติจริงๆจะต้องเห็นปรมัดเห็นในส่วนของปรามัดนะจึงจะเรียกว่าเกิดสติในส่วนที่เป็นสติปฐานไม่ใช่สติตามปกติของคนทั่วๆไปสติคนทั่วไปมีความรู้ตัวขึ้นมาเฉยๆยังไม่ยังไม่จัดว่าเป็นสติปฐานสติปฐานเนี่ยจะต้องเห็นกายเวทนาจิตหรือธรรมในส่วนที่เป็นกายเวทนาจิตธรรมจริงๆคือมันเป็นปรมัด ไม่จะเป็นสมมุติบัญญัติแล้วจะนําไปสู่ปัญญาด้วยจะนําไปสู่ปัญญาเพราะไปเห็นของจริงถ้ายังเห็นแค่สมมติบัญญัติจะไม่เกิดปัญญาคือไม่เห็นไตรลักษณ์จะเห็นไตรลักษณ์ได้นะ่ะจิตเห็นของจริงจิตเห็นของจริงตอนที่สติจับเอาของจริงมาให้ดูสติจับเอาของจริงมาให้ดูคือจับเอาสภาวะที่เป็นปรามัตในปัจจุบันขณะขณะนั้นถ้าจับมายังบอกว่า สภาวะที่มันเป็นความโกรธเนี่ยมันเห็นทันทีตอนนั้นขณะนั้นว่าความโกรธเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ดับไปนะจิตที่มันมีสติเนี่ยเกิดดับพร้อมสติกับจิตเนี่ยเกิดดับพร้อมกันสตินี่เป็นเจตสิกอย่างหนึ่งนะจิตก็คือจิตนั่นแหละรู้รู้เฉยเฉยสตินี่เป็นตัวที่จับเอาของจริงมาให้จิตดูแล้วก็ดับไปพร้อมกับจิตแล้วก็เกิดจิตดวงใหม่ขึ้นมา คราวที่แล้วมาฟังไหมเดี๋ยววันนี้ต้องกําปั้นสองกำอีกที <c oughs> ใครดูบ่อยๆก็อย่าเพิ่งเบื่อนะจิตเนี่ยเกิดดับอยู่เสมอเปรียบเหมือนแวบแบแวบแวบเลยนะไม่ได้เกิดพร้อมกันสองดวงเกิดทีละดวงแตดับแล้วดวงใหม่เกิดขึ้นดวงใหม่ที่เกิดขึ้นนี่ก็อาศัยเหตุของดวงเก่าที่ดับไปจิตมีสภาวะอย่างหนึ่งคือรู้อารมณ์ เ ป, เป็นลักษณะของจิตคือรู้อารมณ์จิตเป็นตัวรู้อารมณ์ถูกรู้รู้หมันนเข้าใจนะจิตเป็นตัวรู้อารมณ์ถูกรู้จิตปกติทุกคน ท, ทั่วไปเช่นดวงนี้ ท, ทั่วๆไปก็คือรู้รู้อย่างนี้จิตมันจะรู้ทีเดียวรวบว่าดอกไม้รู้ข้างนอกรู้ข้างนอกรู้ไปเรื่อยๆรรู้แล้วก็มีมีสิ่งที่เกิดร่วมคือเจตสิกเนี่ย เช่นรู้แล้วมีความพอใจมีความไม่พอใจมีราคะมีโทสะมีโมหะมีหดหูมีปุ้งซ่านมีเมตตาเมตตาไม่ค่อยเกิดมันจะมีความโกรธมากส่วนใหญ่จะเป็นกิเลสเกิดบ่อยดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าให้ดูเนี่ยเป็นดูกิเลสทั้งนั้นเลยดูราคะโทสะโมหะที่เกิดพร้อมกับจิตจิตรู้อย่างอื่นรู้ข้างนอกอยู่เสมอ สิ่งที่พระเจ้าให้ดูคือกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยคือให้ดูปรมัตดเวลาดูข้างนอกเนี่ยเราจะดูแล้วรู้ในส่วนที่เป็นสมมุติคือเป็นคําพูดว่าดอกไม้นาฬิกาแว่นตาไมาโครโฟนอะไรเนี่ยมันจะรู้ที่เป็นสมมุติถ้าจะให้รู้ที่เป็นสติคือรู้ที่เป็นของแท้แทของมันเวลาดูอย่างเงี้ยจะเห็นสีดําสีแดง มันไม่บอกด้วยว่าสีดาสีแดงคือมันเป็นสีเห็นสีนี่มันเองเห็นสีที่มันตัดกันได้ยินเสียงที่มันกังวาลอยู่อยู่ตามประสาทสัมผัสเนี่ยนะแต่มันไม่ไม่ไม่มาเป็นคําพูดถ้าเป็นคําพูดเมื่อไหนเป็นสมมุติบัญญัติตอนที่รู้จะให้รู้จิตจิตที่รู้รู้ข้างนอกจิตที่มีสติ คือเมื่อจิตที่อข้างนอกแล้วสมมุติว่ามีความพอใจมีเห็นดอกมานี่ยมันไม่ค่อยชัดเห็นอะไรดีเห็นขอยืมหน่อยนะเห็นโยมโน้ตนะแล้วเกิดอะไรดี <laughs> <laughs> อย่างนี้จะ เ, เกิดอะไรดีหงุดหงิดนะสมมุติเกิดหงุดหงิดนะเกิดหงุดหงิดคือเห็นหน้านี้แล้วหงุดหงิดนะตอนที่เห็นเขาเห็นข้างนอกหงุดหงิด แล้วดับเห็นอีกหงุดหงิดดับเห็นอีกมีความพูดคาไหนว่าเนี่ยไม่ดีเลยทําไมทําผมอย่างนี้ทําไมไม่ย้อมผมสักทีอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ไม่ควรจะมาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยมาคิดไปเรื่อยๆในขณะที่คิดไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นสมมติบัญญัติตลอดนะแล้วเกิดมีขนาดหนึ่งที่ตอนนี้ดับไปดวงใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่จะไปรู้อนุตกลับมารู้ ทันตรงนี้ว่าเมื่อกี้นี้จิตมันประกอบไปด้วยโทสะเมื่อกี้นี้นะแต่มันไม่พูดยาวนี้นะมันเห็นจิตดวงเนี้แล้วจิตที่เห็นนั่นนะดับไปเมื่อกี้นี้มันนี้ไปลุกงนอกแล้วดับดวงใหม่เกิดขึ้นมาดูไอ้นี่ที่เพิ่งดับไปเมื่อกี้นี้สดๆร้อนๆอนจิตดวงนี้เรว่ามีสติแล้วสติตัวนี้ดับไปด้ปดวยเกิดจิตดวงใหม่ดวงใหม่อาจจะไปดูยอย่างอื่น หรืออาจดวงใหม่อาจจะอุ้ยอุ้ยตายฉันเป็นคนไม่ดีไปโกรธเขาแล้วไปมองเขาในแง่ไม่ดีซะแล้วอะไรเงี้ยกลายเป็นกระพูดขึ้นมาก็เป็นบัญญัติต่อจนอุ้ยตายฉันไม่ดีอะไรไปเรื่อยๆนะฉันฟุ้งซ่านแล้วเมื่อกี้นี้เห็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้แล้วก็ดับไปแต่ฟุ้งซ่านนี่ไม่ใช่แค่ดวงเดียวนะมันเกิดมาแล้วหลายดวงนั้นตอนสติเกิดเนะี่แวบบเดียวแล้วก็ดับแวบบเดียวแล้วก็ดับ พอเข้าใจไหมเข้าใจลนะเวลาอธิบายนมามธรรมเนี่ยนะมันยากนะมันต้องรวบรวมอะไรออกมาเป็นเวลาครูบาอาจารย์สมัยก่อนพูดถึงจิตไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรจึงใช้คําว่าดวงจิตเป็นดวงดวงเพราะเวลาท่านอาธิบายเขียนบนกระดานเนะี่ยท่านจะเขียนเป็นกลมๆเป็นกลมๆแต่จิตจริงๆไม่ใช่เป็นกลมๆอย่านีน้เป็นความรู้เป็นความรู้เป็นนมามธรรม